ถ้ายังหลับในสมาธิไม่ได้จะมีทางติดต่อกับโอปปาติกะได้หรือไม่โดยปกติหรือโดยหลักความจริงคนที่จะสามารถเห็นโอปปาติกะติดต่อกับโอปปาติกะได้จะต้องได้ทิพยาจักสุหรือได้มโนมยิทิสำหรับคนที่ได้อภิญญาสองข้อนี้ การพิสูจน์จะไม่เป็นปัญหาสำหรับประชาชนเพราะคนที่ได้ทิพยะจักรสุหรือมโนมยิทธินั้นจะสามารถพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นความจริงได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นสิ่งของที่อยู่ในที่ปกปิดหรืออยู่ไกลเกินกว่าสายตาธรรมดาจะมองเห็นนั้นสำหรับคนที่ได้ทิพยะจักรสุหรือมโนมยิทธิจะสามารถบอกได้โดยไม่ผิดแม้จะให้พิสูจน์สักกี่ครั้งก็ตามจะไม่มีทางผิดเลย การพิสูจน์อย่างนี้ประชาชนทั่วไปย่อมจะเห็นความจริงได้ง่ายแต่ตัวอย่างจริงๆในเรื่องนี้ชนิดที่สามารถรับรองกันได้ทั่วโลกและบันทึกหลักฐานไว้อย่างชัดเจนนั้นยังไม่มีเท่าที่มีอยู่บ้างก็เพียงแต่รับรองกันอยู่แต่ในกลุ่มของบุคคลบางคนที่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้นั้นและถึงแม้ในปัจจุบันจะได้มีเอกสารพร้อมทั้งภาพถ่ายว่า ผู้นั้นผู้นี้มีตาทิพย์แต่คนทั่วไปก็ยังลังเลสงสัยอยู่นั่นเองทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่สำเร็จจริงนั้นไม่แสดงอย่างเปิดเผยในที่ทุกแห่งและกล้าท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกกรณีตัวอย่างเช่นนี้ยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นจริงก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือได้เห็นตัวอย่างด้วยตาของตนเองมาแล้ว แต่ถึงกระนั้นในกลุ่มคนที่อ้างว่าได้เห็นของจริงนี้เราก็ต้องแยกพวกที่เห็นว่าจริงก็เพราะมีความเชื่อน้อมนําไปก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็เพราะมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ที่สำเร็จด้วยเหตุนี้ตัวอย่างที่พอจะเชื่อถือได้จริงๆ จ, งจึงยังไม่มีทั้งนี้เรื่องที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่หลายแห่งทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศแต่เพราะเหตุที่มีเรื่องที่ชวนให้สงสัยดังที่กล่าวมาแล้วเข้าไปพัวพัน คนทั่วไปจึงไม่อยู่ในฐานะ pues mm ที่จะเชื่อได้อย่างสนิทว่าคนนั้นคนนี้สำเร็จจริงการที่คนส่วนมากลังเลหรือไม่ยอมเชื่อว่าเรื่องทิพยจักสุหรือเรื่องมโนมยิธิเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาข้อนี้นับว่าเป็นผลเสียหายต่อการวางรากฐานในทางศิลธรรมอย่างยิ่งเพราะมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ยอมรับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบุญบารมีเหนือเราทุกอย่างและทรงมีอะไรพิเศษกว่าเรามากมายถ้าไม่ยอมรับเช่นนี้ความเคารพความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ย่อมจะน้อยลง และถ้าหากคนทั้งชาติมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันนี้ในหลวงในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติก็จะดูไม่ค่อยมีความหมายและลองนึกดูให้ดีว่าถ้าคนทั่วไปรู้สึกว่าในหลวงไม่มีความหมายสําหรับประเทศชาติแล้วผลร้ายจะเป็นอย่างไรในทํานองเดียวกัน คนที่ไม่รู้สึกหรือไม่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติครบทุกประการตามที่เราได้สวดมนต์กันอยู่เสมอนั้นก็จะมีผลอย่างเดียวกันความเสื่อมของศีลธรรมในสังคมเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สาเหตุอันหนึ่งก็เนื่องมาจากคนทั้งหลายไม่ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอภิญยาทั้ง6นั่นเอง พระเจ้าได้มองเห็นถึงผลร้ายของการเข้าทรงหรือการติดต่อทางวิญญาณด้วยวิธีต่างๆอย่างที่แพร่หลายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าในเมื่อผลแห่งการติดต่อและวิธีการติดต่อไม่ได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนแก่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วภัยอย่างใหญ่หลวงจะต้องตามมาโดยไม่มีปัญหากล่าวคือพวกที่มีพื้นงมงายอยู่ก่อน ก็พากันงมงายต่อไปส่วนพวกที่อยู่ห่างได้ทราบแต่ข่าวก็พากันลงความเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเรื่องเหลวไหลซึ่งก็เป็นของธรรมดาเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยเห็นของจริงและไม่เข้าใจหลักวิชาและก็เป็นธรรมดาอีกเหมือนกันที่จะต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงมีอะไรวิเศษไปกว่าคนธรรมดาเท่าใดนักเรื่องอภิเหานต่างๆเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นโดยไม่มีความจริง เพียงเพื่อให้คนทั้งหลายที่เชื่อในเรื่องอภินิหารยึดมั่นในคำสอนเท่านั้นเองใครจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ข้าพเจ้ารู้สึกเห็นเป็นความจำเป็นที่จะต้องให้ความกระจ่างในปัญหาเหล่านี้แก่สังคมทั้งนี้ก็โดยมีจุดประสงค์สำคัญอยู่ข้อเดียว คือต้องการจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของพระคำภีเอาไว้เพราะคำภีพระไตรปิดดกนี้ถึงแม้จะเป็นตัวหนังสือแต่ก็เป็นตัวหนังสือที่มีความหมายเท่ากับพระพุทธองค์ทีเดียวหมายความว่าเมื่อคำสอนยังอยู่ก็เท่ากับพระพุทธองค์ยังอยู่และเมื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งคำสอนยังมีอยู่ก็เท่ากับความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ยังทรงมีอยู่ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าถึงแม้คนส่วนใหญ่จะไม่ยอมเชื่อในเรื่องอภินิหารก็ตามแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยเหมือนกันซึ่งเป็นคนมีปัญญาและเชื่อในอภินิหารต่างๆอย่างสนิทใจข้าพเจ้าเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ากลุ่มของบุคคลผู้มีปัญญาซึ่งจะเชื่ออะไรก็ไม่เชื่ออย่างงมงายต้องมีเหตุผลจึงจะเชื่อนั้นบุคคลในกลุ่มนี้แม้จะมีจานวนน้อยแต่ก็มีกาลังมาก คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงชีวิตของโมเสสผู้นำในทางคริสตศาสนาคนหนึ่งคงจะเห็นความจริงข้อนี้ได้ดีข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้มากความจริงข้าพเจ้าไม่ได้เชื่ออะไรทุกอย่างที่เขาแสดงไว้แต่ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงความหมายอันลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังอภินิหารหรือภาพพจน์เหล่านั้นข้าพเจ้าจําได้ขึ้นใจทีเดียว เพราะโมเสสได้เห็นอนุภาพของพระผู้เป็นเจ้าด้วยตาของเขาเองซึ่งหลังจากที่ได้เห็นแล้วจิตใจของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนพระเจ้าได้ส่งประทานไม้เท้าแก่เขาอันหนึ่งและด้วยไม้เท้าอันเดียวแท้ๆที่ทำให้โมเสสเอาชนะกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ผู้มีกําลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรและด้วยไม้เท้าอันเดียวแท้ ที่ทำให้โมเสสปลดแอกแห่งความเป็นทาสของพวกยิวออกจากอียิปต์ได้ความเชื่อที่อยู่เหนือธรรมดาย่อมเป็นความเชื่อที่มีพลังอันมหาศาลเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล้าพูดได้ว่าในบรรดาบุคคลที่เป็นปัญญาชนแต่มีความเชื่อในเรื่องอภินิหารต่างๆของพระพุทธเจ้านั้น แม้จะมีจำนวนน้อยแต่คนเหล่านี้ก็มีกำลังมากเพราะศรัทธาของเขาอยู่เหนือความตายอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนืออำนาจทุกอย่างข้าพเจ้ามีความรู้สึกด้วยความจริงใจเหมือนดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงพยายามหาทางที่จะรักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคัมภีร์เข้าไว้หมายความว่าคำสอนที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนั้น แม้บางบทหรือบางตอนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเชื่อยากข้าพเจ้าก็ต้องการที่จะให้คนทั้งหลายได้รู้สึกว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทเป็นสวากขาตธรรมคือเป็นคำที่ตรัสสอนไว้ถูกต้องดีแล้วถ้าหากเราจะไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจก็เป็นเพราะปัญญาของเราอย่างไม่ถึงเองไม่ใช่เป็นเพราะระธรรมผิด ใครจะเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เชื่อคำภีมากเกินไปเพราะคำภีอาจจะผิดก็ได้เนื่องจากถ่ายทอดกันมานานก็ย่อมจะต้องมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแทรกอยู่บ้างข้าพเจ้าก็ไม่หวั่นเกรงอะไรเลยเพราะเรื่องที่ว่านี้ถึงแม้อาจจะจริงแต่ข้าพเจ้าก็มาสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคนที่กล้าพูดว่าระไตรปี ด, ด ก, ก็อาจจะมีอะไรผิดนั้น คือคนที่ไม่เคยศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าเองเคยเข็ดมาแล้วเพราะความปวดรู้ของตัวเองในสมัยก่อนที่เคยเข้าใจว่ามีอะไรหลายอย่างในคำพีผิดไม่ใช่พุทธพจน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แน่ๆอะไรทำนองเนี้ยแต่แล้วต่อมาภายหลังก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นเพราะความโง่ของตัวเองที่ยังเรียนไม่ถึง ข้าพเจ้าเป็นห่วงเกรงว่าคนทั้งหลายจะต้องสูญเสียประโยชน์เพราะความรู้ไม่ถึงจึงต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเขียนอีกและในการเขียนเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปถามเทพเจ้าองค์หนึ่งว่าคนที่หลับในสมาธิไม่ได้จะสามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้หรือไม่ซึ่งท่านได้กรุณาตอบมาให้ทราบดังนี้ โดยธรรมดาคนที่ไม่ได้ที่พยาจักสุกก็อาจจะติดต่อกับโอปปปาติกะได้ถ้าหากสามารถหลับในสมาธิได้เพราะการหลับในสมาธินั้นก็คือภาวะปกติอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ในคนทุกคนเช่นในกรณีที่เด็กอายุยังน้อยสมองยังไม่เจริญเติบโ ต, โตเต็มที่ในเวลาหลับจิตใจของเด็กตัดขาดจากโลกภายนอก เพราะประสาทไม่ไวต่อสิ่งเราคล้ายกับคนที่เข้าสมาธิได้ลึกและมีความชำนาญก็สามารถที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกได้หรืออีกรณีหนึ่งคือคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายประสิทธิภาพของประสาทและสมองเสื่อมไปมากในบางครั้งจิตใจของเขาก็ตัดขาดจากโลกภายนอกได้ สำหรับในกรณีอย่างนี้เด็กทารกก็ย่อมจะเห็นโอปปาติกะอยู่เสมอโดยเฉพาะในเวลาหลับและคนป่วยที่ใกล้จะตายก็เหมือนกันท่านแนะให้นึกถึงหลักในคำภีที่กล่าวว่าคนที่ใกล้จะตายนั้นเมื่อลืมตาก็จะเห็นโลกนี้ถ้าหลับตาก็จะเห็นโลกหน้าคำว่าเห็นโลกหน้าก็คือเห็นโลกของโอปปาติกะ คบางคนที่เป็นผู้ใหญ่และไม่ได้ป่วยหนักในบางครั้งในเวลานอนหลับสนิทก็อาจเห็นโอปปาติกะได้ซึ่งถ้าหากเป็นการเห็นโอปปาติกะจริงเราจะสังเกตได้ว่าภาพที่เห็นนั้นประทับใจมากตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังจําแม่นแม้จะทิ้งไว้ลหลายปีก็ยังไม่ลืมส่วนภาพในความฝันที่เกิดจากความคิดจะอยู่ได้ไม่นาน ลบเลือนได้ง่ายท่านบอกว่าขอให้สังเกตข้อเท็จจริงจากบุคคลสามประเภทคือจากเด็กทารกจากคนเจ็บหนักและจากคนบางคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันเห็นโอปปปาติกะต้องพยายามศึกษาข้อเท็จจริงอันนี้ให้เข้าใจจริงๆซะก่อนแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าเด็กทารกนั้นทั้งที่ส่วนมากเขาเห็นเป็นปกติแต่ก็พูดไม่ได้และยิ่งกว่านั้น ตามความรู้สึกของเด็กเองจะเข้าใจว่าโอปปปาติกะที่เขาเห็นนั้นก็คือคนในโลกมนุษย์นั่นเองเด็กบางคนเวลานอนหลับจะมียิ้มหรือบางทีก็มีสัดุ้งหรือบางทีก็มีร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็ขอให้สันนิษฐานไว้บ้างว่าอาจเนื่องมาจากโอปปปาติกะ คนที่ป่วยหนักบางคนเพ้อถึงคนที่ตายไปแล้วหรืออ้างว่าได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นคนนั้นคนนี้ก็อย่าเพิ่งไปสารนิฐานเสียทั้งหมดว่าเป็นเพราะประสาทหลอนแต่อย่างไรก็ดีคนที่ป่วยแล้วเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นส่วนมากเห็นไปเองไม่ใช่เห็นโอปปาติกะจริงภาพที่เห็นนั้นเกิดจากความนึกคิดประกอบกับความตื่นตัวของประสาท คนที่ฝันก็เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อ้างว่าได้ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อเป็นอันขาดว่าเป็นการฝันเห็นจริงๆการฝันเห็นคนตายหรือโอปปาติกะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในหลายร้อยครั้งหรือบางคนก็อาจจะนับเป็นพันครั้งจึงจะมีจริงสักครั้งหนึ่งแต่ถึงกระนั้น มันก็เป็นภาพที่ผสมกันและเสริมสร้างเอาเองอีกด้วยคือเหตุการณ์ในความฝันทั้งหมดเท่าที่จําได้นั้นไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดมันจะต้องมีผิดพลาดที่เกิดจากความคิดของตัวเองเข้าไปปะปนอยู่ด้วยจากหลักเกณฑ์ด้วยสังเขปที่อธิบายมานี้จะเห็นว่าการติดต่อกับโอปปาติกะไม่ใช่ของง่ายเลย สำหรับคนที่หลับในสมาธิได้ในรายที่เราจะเชื่อถือได้จริงๆนั้นก็จะต้องมีการพิสูจน์กันให้แน่ชัดเสียก่อนว่าสามารถหลับได้จริงๆซึ่งการหลับในสมาธิที่จะเชื่อถือได้จริงๆมีหลักอย่างนี้คือ 1. ต้องหลับได้เร็วและตื่นขึ้นตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ 2. ในขณะที่หลับได้ในระยะแรกที่กำลังฝึกหัดอยู่นั้นจะต้องไม่มีภาพใดๆปรากฏในใจได้อันนี้ต้องระวังให้มากเพราะถ้ายังมีภาพเกิดในใจได้แสดงว่ายังหลับไม่สนิท 3. ก่อนที่จะหลับจะต้องไม่ง่วงจะต้องมีสติอยู่กับตัวทุกขณะและใจต้องสงบจริงๆ ในขณะที่จะหลับนี้จะต้องไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นเลยเป็นอันขาดคือใจต้องวางเฉยจริงๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งทั้งปวงและเมื่อก่อนหลับจิตมีภาวะอย่างไรเมื่อตื่นออกมาแล้วจิตจะมีภาวะอย่างเดียวกัน 4. การหลับในสมาธิจะต้องไม่ใช่เกิดจากการสะกดจิตของตัวเอง เพราะถ้าเป็นการสะกดจิตตัวเองจะมีอาการตัวแข็งหรือร่างกายจะเป็นไปตามคำสั่งการสะกดจิตตัวเองก็คือภาวะของจิตที่ยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นใจไม่ว่างส่วนผู้ที่หลับในสมาธินั้นใจว่างปล่อยวางอารมณ์ได้ทุกอย่าง 5. เมื่อหลับในสมาธิได้แล้ว ในระยะแรกยังเป็นระยะมืดคือหลับสนิทโดยไม่เห็นอะไรแต่ในขั้นต่อไปซึ่งเป็นขั้นที่จะเห็นโอปปาติกะนั้นภายในใจมีความรู้สึกตัวเหมือนกับอยู่ในภาวะตื่นและเป็นการตื่นอย่างมีสติสัมปชัญญะและพร้อมกันนั้นจะรู้สึกตัวว่าตัวเองยือนอยู่ในแสงสว่างที่เจิดจ้ามากเหมือนกับตัวเองยือนอยู่ในที่กลางแจ้งในขณะที่บนท้องฟ้าไม่มีเมฆเลย จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาโดยสังเขตนี้ท่านจะเห็นว่าการหลับในสมาธิไม่ใช่ของง่ายแต่ก็อย่าล <for you, S 1> ืมว่าการหลับในสมาธิและเห็นโอปปปาติกะได้ตามในดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เรื่องทิพยจักรสุการหลับในสมาธิก็คือการหลับธรรมดาเหมือนอย่างเด็กทารกหลับสนิทและเห็นโอปปปาติกะหรือเหมือนกับคนบางคนซึ่งในบางครั้งหลับสนิทและเห็นโอปปาติกะ ฉะนั้นภาวะอันนี้จึงไม่ใช่ของสูงสุดอะไรนักหนาคนที่ทำได้ไม่ควรจะตื่นเต้นกับผลงานของตัวเองจนเกินไปและมีทางที่จะเสื่อมได้ง่ายถ้าหากไม่หมั่นรักษาไว้ให้ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคอยรักษาระดับจิตใจในด้านภูมิธรรมอย่าให้ตกต่ำลงมาเป็นอันขาดอันนี้สำคัญมากการหลับในสมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีวิธีฝึกหัดอย่างไรข้าพเจ้าจะนำไปเขียนไว้ในฉบับหน้า